มาผู้จักรผ่าบวชเลยฮะมาในที่นี่น่ะเข้าใจว่าจะเป็นมารเทวบุตมารจริงๆเพราะเป็นมารองค์ปูนเดียวกับที่มาทูลในผพ้จักรจับขันแล้วมาขจึนทุกจักรเข้าใจเป็นมาณจริงๆครับเป็นเทวบุตรมารเป็นพวกตายชิดพวกนี้งลงม า, อ น, า, ม า, นานอนนมันสามตัวนี้เนี่เป็นทางมรดฐานแน่แล้วเพราะชื่อก็บอกราคาอรดีนี่บอกแล้วว่าเป็ตัวจริง พระสัพพดีมาน่ะเป็นตัวจริงมาเพระสัพพดีมานอามาที่หลังนี่พุทธเจ้าทรมานไม่ได้หรือไงฮะไม่ใช่วิสัยพระอุอลงลงม้มรู้อัดเรงอนาคาตังสยานรู้ว่ามานพระัพพดีเนี่ยผู้จะทรมานได้มีคู่ปรับกันอยู่คือพระอุปคุตอุคุตเป็นคู่ปรับของพญามานันองค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ พ, พุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านยิงก่อยกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าโศกพระเจ้าอโศกตั้งพระสถูป8ปดหมืสี่ พ, 80, 000, พันวุฒบูชา มามาสัดีจะมาพะจนจะมาทำลายทีทีร้างพระธาตุเจดีแปดห0ื่นสี่พันพรอุปคุดรับอาสาปราบมารตนนี้นิตรธเป็นซากสุนัขเน่าเป็นบ่วงคล้ อ, องคอมัดตัวพยามารเรื่อกับพุเขาจักรวาลพยามารก็เหม็นกลิ่นหมาเน่าตัวเองเป็นเทวดานี่เหม็นกลิ่นหมาเน่าคนไม่ได้พอละมาร้องห้ือือีเขาจักรวาล น, นึกถึงพุทคุณขึ้นมาบอกปโถเมือ่อครั้งพุตธการนี่นนลาพะจนกับด้วยาตัตมานักต่อนักต่ แต่ครทคี่สขายังไม่ทำกับเราเพียงเพียงนี่เลยอ่ามาคราวนี้มาเสียข่าวสาวของกระชายจุดกระาข้าวาาาามาเอาเราหนักเอาขนม้าเอ า, า, า, าผูกคอเราเนี่ี่ยแม้ช่างกระไรเลยเลึกถึงที่ตคุคนนี่มาตอนนี้เองยึงเปล่งคนั้นนามาสานถึงปิติจาพุทธัทงสนานกระชามีใจอ่อนลงแน่ตอนนี้แหละเจ้าพระคุณยิงได้คลายบ่วงออกเห็นว่ามากลับทิฐิแล้วคลายออกตอนนี้แหละอาจา์ทางเสส า, าจริงเยูเป็นกถาเลยวะ่ะ คาถาอุปคุตมัดมารสำหรับมัดผีผีดุเราก็ต้องเสกคาถาบทนี้เสกสายสินไปรักเอาไว้เนี่ยมัดผีเอาไว้คาถาอุปคุตมัดมารแล้วพญามารตัวนี้พอเพ่าอุปคุตคลายฤทธิ์แล้วเลยปฏิญาณตัวตั้งความเป็นตั้งความปัฒนาคตภูมิเลยเวลานี้เปพัพ่ลนพญามารเนี่ยเป็นผู้พิัพแล้วจะตัดทะลเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนีารุงหน้าตามออกวาในคาทีอนาคตวงศ์มลชื่อกันแล้วบอกชื่อเสียงไม่เสร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วจะมีชื่อพนาวายังไงงันเกี่ยว เวลานี่เราจะยาเวรีท่านบำาแนแล้วเพราะท่านมีภูริสักด์แล้วโอี่เลยังนี่ครับตอนนั้นยังน่ะยังไอ้ตอนนาง อ, อลาคา อ, อรดีมามาม า, มายุ่ยยวนทั้งนั้นยังไม่ได้รัดสรู้เลยตอนนั้นยังนี่ครั บ, บรอะไรฮนะพระอภคุณเนี่ยท่านชัเชีช่ยวชาญอาภูกระสินท่านเป็นเจ้าคณะใ น, า น, านกายตระวัติสิวาา ชอบเจริญอาภูกรสินแวกน้าไปเจริญอาภูกรสินอยู่ในใต้สมุทรแล้วพระอาศุภไม่มีมวลขึ้นมาจากใต้สมุทรท่านเป็นท่านเป็นลูกพรามแล้วมาบวในพุทธศาสนาเระประคุตเนี่ยเขาก็ว่าตามเสียงจีนเขาว่านำบ่อนํามอว่านำบอแล้วก็แปลเป็นเสียงจีนเลยนำมอกวงซีอินผูสัก แปลโดยกงจะกาสนาสันสกิตว่านโมตัสมัยอรยิยบโลกิเตสวรายบูธิตตวายที่วานามโมควังสินภูสตแปลว่างี้ <c oughs> ไอแปดตัไม่ใช่ไอพูดที่ไม่มีความรู้พูดไอพูดกินเจพูดที่ไม่มีความรู้พูดถือาาศาสนาแบบพิธีกรรมพูดแบบนี้ไม่มีความเข้าใจในยศาสนาพุทธมหายาแม้แต่นิด มหาตมะคันธีเกิดหลังพุพพทธปฏิพาน์กี่ปีนาที่ไหนเป็นบุตรของใครเป็นมหาปริยันไหนก่อนตายพอศร์เท่าไรในสมัยที่ท่านสอนศาสนาอยู่ใครวเป็นผู้นำผู้อินเดียมาธรรมะคันธีไม่ได้เป็นผู้นําศาสานาไม่ใช่เป็นนักการเมืองรัฐบุรุษของโลกนักการเมืองอินเดียเป็นนักกุยสารภาพไม่ใช่จริงไม่ใช่ว่าเป็นสองศาสนาอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีท่านไม่ได้สองศาสนาใดๆทั้งหมดครับมหาตมะคันธีเกิดในอินเดียพอดตาย ในวันน่าพ่อคอ้าเกิดเวลาท่านตายุคเจ็ดสิบเศษตอนน่นเอาเองนะฮะถอยหลังพศกี่ปีเจ็สิบเศษนี่ก็พอง้าร้งยเก้าับถอยหลังมา70สิกว่าปีกันแล้วกันแล้วก็ตายเมื่อหลังท้งครามโลกเมื่ออินเดียได้เอกราษแล้วประมาณปีกว่า ก, าก็ถูกหนุ่มฮินดูเลือดร้อนคนหนึ่งยิงตาย ท่านรัฐสัตวโทรพิคุถามมาว่าอยากทราบว่าบุคคลบางคนผมน้อยบางคนผม ด, ดกดําดีเช่นนั้นจะมีข้อตำอะไรหรือไม่ไม่เกี่ยวาาคนลกรรมกับท่านไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับกรรมพันธกรรมพันของของตัวสองเกี่ยวับขาดธาตวิตามินบางอย่างถ้าคนขาดธาตุวิตามินบางอย่างน่ะให้ผมร่วงผมบางก็มีนะบางคนว่ามีวิตามินดีแล้วก็ผมกับดกหนาก็มีโอ้ไม่เกี่ยวกรรมเก่าครับไม่เกี่ยวเรื่อง น, นี้ ไม่เกี่ยวเลยขอจบวันนี้เหียงท่านี้เลยครับผิดขู่ถามมานะครับบอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายว่ า, านางกินจะมานวิการนั้นเกิดในตนมะขามเปนความจริงหรือไม่อ่าคํานี้นะี่ยเขาบอกเกิดในตนมะขามเนี่ยคือหมายความว่าเด็กพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงเอามาทิ้งมาลองแลกติคน้นมะขามเลยครับแล้วค น, นเลิกจะไปเลี้ยงทั้งหมดเด็กคนนี้เกิดติคนมะขามนี่ไม่ใช่ว่าเกิดจากต้นมะขามโผมาจริงๆไม่ใช่หรอ มีงอยกอมะลีมกันรีถวายคน้มุ้งไงกูติดเจ้าในปวรากเดกระตุ้นน้ำมุเเป็นดบบนี้แหละพ่อแม่ถออกมาแล้วก็ทิ้งว้านที่คุนต้นแล้วคนอื่มาเจอเขากบไปเลี้ยงก็อเกิดก็เกิดเตกรตุ้นเป็นมใครเช่อมะปาลีถวาต้นน้มูรักสาไว้แล้วนี่นะครับอย่าไปถือเป็นจริงจังมันเกิดเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีกันออกบยไปเที่ยวเขาที่หน้าํานักทานห้องพิณไงล่ะแล้วก็เกิดที่หน้าประตูบ้านหองพิณที่เด็กคนนั้น อีกข right, well yes. ้อหนึ่งถามว่าชาติเกิดไอ้ต้นมะขามได้จริงเพราะอะไรเป็นเหตุจริงถ้าไม่เกิดเช่นนั้นได้เพราะสิบีสายของมนุษย์คนนี้ก็ไปอันต่อไปคนหนึ่งได้นะข้อสามก็เหมือนกันนะฮะมีตัวอย่างที่ไหนบ้างที่มนุษย์เกิดโดยไม่ได้อาศัยคันหรือวมดลูกเพียงของนักวิยาศาสตร์อดลูกเพียงนักวิยาศาสตร์ชี้แจงด้วยมดลูกเพียงนักวิยาศาสตร์น่าจะเปียบแรกเปรียบแลเป็นสังเซระชาติกำเนิดฝังเซระชาติเพราะว่าน้าภรรยานี่รือเป็นสังเซระชาฉีดเข้าไปในมดลูกผู้หญิงก็ตั้ง ปิสุลิตวิญญาณเกิดในสังเสรสังเสริฐขชาเสมอผมเข้าข้าในยู่นิสีกําเนศสีเหมือนขันในแปลกถ้าเรากอุตส่าห์ชนะกัเลยครับไม่ขัดขัดขัดขวางกันเลยถ้าขัขานชัยถามมาว่าเมื่อเราทําบุญแล้วอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ตนหวังจะมีผลต่างกับการทาบุญแล้วโดยไม่อธิษฐานหรือไม่ต่างกันแน่นอนครับการทาบุญเดยไม่หวงังผลตอบแทนเป็นการทําบุญความดีเพื่อความดีความดีอันนี้เป็นความดีที่บริสุทธิ์ นะครับเป็นความดีที่มีแสงกับทานเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นผลที่ตอบแทนก็ต้อเป็นผลบริสุทธิ์ยิ่งกว่าการทุ่บุญทวงคุณจากทำดีของเราทําตัวการทำาได้อธิษฐานนั้นอธิษฐานในสอแบบอธิษฐานเพื่อโทุยานอธิษฐานเผื่อสิ้นทศสิ้นชาติอย่างหนึ่งอธิษฐานเผื่อผลตอบแทนให้เป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีมีอ้าผาบริวาวรเต่าเลี้ยงมากมายอย่างเลยอย่างแรกควรอยู่เพราะเป็นอธิษฐานเพื่อความเป็นวิภพ ยังแล้วเป็นอธิษฐานเป็นเป็นทุกข์คนก็แตกต่างกันทั้งมีธรรมะข้อหนึ่งใจความว่าบาปเลยบุญเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยสุขถ้าอาหารหันต์เป็นผู้ละแล้วซึ่งบาปเลยบุญก็เป็นอันว่นาละเหตุแห่งทุกข์สุขหมดได้ใช่ไหมแต่ทําไมพ้าอาหารหันต์บางลูกกินขมูกคลานะ่ะยังสูกผลกรรมสายชั่วให้ผลอยู่ทอข้อนี้ก็เอาความอย่างนี้แหละครับที่ว่ลาละบุญละบาปนะ่ะหมายความว่าละบุญละบาปที่จะกอ่อผลในอ น, นาคตจังหวะ บุญบาปที่ทำแล้วแต่อดีตเน่ยเป็นสูงนีบาสค่ะที่จะต้องรับเน่ยถ้ารัไม่ได้ละได้ตอผลอันเป็นปัจจุเตอันเป็นปัจจุบันที่จะส่งผลในอนาคตละบุญบาปอย่างนี้ไอ้บุญบาปที่ทำาในชาติก่อนเนี่ยลไม่ได้เครับไม่ได้บัญชีมันยกยอดมาไปแทงุณไม่ได้ไปแทงคุณในชั้นวัดในวัม่ตก่อนนี่บัญชีเล่มใหม่ในในชาตินี้วันม่ก่อนี่บัญชีเล่มใหม่ในชาตินี้ไอ้เล็กแก่ในชาติหน้ามันก็ไม่มีไอ้สูงทีทำแล้วกอไปแล้วในชาติก่อนนะเขาต้องรับใครไปครับมันี่ จะไปชั่งนุ้ยยังไงล่ะครับไม่ได้เปรียกเหมือนคนคนหนึ่งทําไปตีหัวเขาแตกในกรุงเทพเดี๋ยไปต้นเข้าในกรุงเทพแล้วหนีไปเชียงใหม่พอไปเชียงใหม่กลายเป็นคนเข้าวัดขาวาถือศีลแต่ทุกวันเข้าหาพ้าหาจ่ตาตารวจตามไปจับคนเชียงหม่บอกอะไร้ตารวจนี่อะไรกันลนะ่ะคนดีมีสิทธิ์ทามาจับอย่างนี้อ่ะเอแต่คนขีน้นี่แล้วคนคนนจะมาอุบายาตายา่อว่าตำรวจแต่นะว่าฉันมีคนดีที่เชียงใหม่นะเออ ตำรก็ต้องจำแหะถูกแล้วก็เป็นคนลิบีเฉียยหมายเดี๋ยวนี้แต่เป็นคนช่วยตีคนเสียก็ชนเข้ามาเนี่ยคดีเราติตัวแกยังไม่หมดเทางนั้นก็ต้องสั่งตามตัวแกไปรถขับผิดตามอายุความที่คดียังไม่หมดผ่าหลายเจ้าหมนกันละาได้ต่ฝูงที่เป็นเหตุจเป็นผลในปัจจุบันอนาคตครับอดีตที่มาเนี่ยยึดหยอมาละไม่ได้ในกาลามาสูตรพระกาฬตาโกหานท้าวตาลามีเหตเชื่อโดยการเดามีควาหมายว่าพรองค์โกาหานใช้วิชาตัด ก, กะใช่ไหมหรือว่าตักะยุคนั้นกับยุค น, น, นี้มีเรื่อความไม่ การดาวรีนะ่ะเป็นตักกะผูกแล้วครับแต่ว่าพ่อโน้นผู้ศักดิน์นะจะมียมประจกรติที่ไงล่ะครับประจกักติ่ตอในเมื่อคนเราไม่ชอบปจกักรติดที่อย่างอย่างกรณีเรื่องที่สุดน้องสวรรเนะ่ะบอกให้เคสทำทางสมาบาัตรมันก็เป็นมันก็ไม่ไปทำแล้วฝ่าบาทเองก็ต้องใช้ตักกะต้องใช้หรือต้อใช้ตักกะ ท, ทั้งทที่ตักกะเป็นสิ่งที่ผู้จ้าไว้สเสิก็ต้ใช้ความเป็นมังคับนี่คนเรื่องชอบนี่ชบตักกะนี่ ท่านผู้จิตตัวพิคุกถามว่าศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรบ้างเกิดขึ้นครั้งแรกน่ะเกิดเพราะความกลัวกลัวภัยธรรมชาติกลัวความตายตัวความมืดกลัวผีสัตวนั้นเกิดเพราะความกลัวสับนั้นยกดติดกัมันที่ไม่ใช่สัวนาประเทวัญญานะเกิดจากความกลัวสับนั้นที่รับถึงพระเจ้าก็เกิดจากความกลัวทั้งนั้นจึงมีพระเจ้าก็กโลกขึ้นมาให้ให้ให้เจ้าความกลัวเนี่ยมีโอกาสระบายออกไปเป็หลูกของพระเจา้าคอยปลอบใจตัว เออเองฆ่าเองล้ว่อนบอลใจตาคนนักพุทธจะมาเจอกัเทพนี้ศัตนักพุทธเกิดเพราะต้องการหนีทุกข์จึงต่างกับไอศัตรูเกิดจากความกลัวกลัวผีกลัวธรรมชาติกลัวไทยศัตนักพุทธเขาเรียว่ากลัไทยก็กลัวไทยแห่งชาตราบานะเพราะฉะนั้นจึงเป็นศัตรูของปัญญาที่จะดิ้นรนด้วยความทนทุกข์ขอถามว่าดูกระทังแดงอนุนหมายความที่ชัดที่สุดคืออะไรเออผมไม่เข้าใจความหมายของนี้ครับที่บอกว่าดูกระทังเเดงอนุน หมายความที่เขาเป็นสไรคุณจะคุณจะไมายความว่าอะไรคแปลความว่าดูกระะ่าแต่คำแดงนี่แปลว่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคำนี้น่ะอย่าเข้าซิกเวงเนี่ยาทยมาแปลว่าดูกระสุทั้งหลายไอ้ดูกระเนี่นคนคดีความชอบิงนันเองมีความหมายหรอแต่คำแปลว่าดูดูมือดูมือด้วยความอะไรกระามือเลยดูมือดูกอก็ดูมือคำแดงก็แสดงเ่สิมันยังเป็นความว่าไา่ได้ความแตแปลตามตัวมันเป็าคดีครับตกแต่ง้วยหันไทรรเอง เังคำว่าดูก่อนดูกระด้างในแบบเดียวกันนะี่ตกใจที่เราใครร้อเนี่ตตนนยยังคําว่าเทียนนี้ในภาษาไทยโบราณมีเทียนยอดเทียนยอเนี่ยมีเทียนยอ ก, ย น, ยอกนี่ ย, น, ย, น, ยนี้เป็นต้นไม่มีความแตแท้แล้วไม่ได้เป็นคําตกแต่ขงของภาษาใคร ม, สสมาาสตร์สอยนักศึกษาในปี1988ถามมาว่ายังสงสัยว่าการประสูตยกับการานิพนธ์ของรพระพุทธเจ้าอยู่คือบอกคืออาจารย์บอกว่าประสูตยของ ว่าสู่ทางสีข้างนั้นมีเหตุผลเป็นมาอย่างไรนี่เป็นส้นขาไก่ ม, มา้าทีกัดเอาครับไม่เหตุผว่าผมว่ า, ว า, าการมา้าที่กัดายพ่อมาสิใจ ท, ทีหนึ่งการมา้าทีากัดให้เหตุผลบอกว่าพระพุทธเจ้าน่ะทำเป็นสัตว์บริสุทขนาดนั้นแล้วที่นั้นจะมาเกิดอย่างไม่ถูกอย่างคนธรรมดาสามมันต่าไปเพราะฉะนั้นคนบริสุทธอย่างนั้นก็ อ, ออกมาทางสูง่เหมืนนั้น ก็ทางสีขาก็เป็นเจตนาดีต้อ ง, างการบูชาพระองค์นั่นเองไม่มีอะไรหรอกเราเราเป็นฝ่ายกายเคล้าบ้านเราก็ไม่เสียงเราก็ไม่คดค้ายอะไรเห็นงั้นเห็นไปเราไม่เราไม่เถียงนี่กายมาให้กัเราทำไมจะเห็นอะไรเห็นก็ ไ, กไปแเออและการปฏิานของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงคือพระพุทธเจ้าแกล้งได่าช้วูดูนั่นอาตมายังสงสัยอยู่ไม่ใช่แก้งครับพระพุทธเจ้าท่านตังตังคตินิกายมาใหิกัท่านใจได้ไหมอย่าไปบอกเคระบ้านนะครับ ตารตั้งเราต้องแยกกมติอย่างนี้เป็นนิกายมหาวิจาต้องระบุชื่อนิกายลงมาด้วยไม่งั้นอีกหน่อยคนไม่รู้จะไม่กเป็นมติไอ้เถรวาไปเถรวาทไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าแก่ปฏิทานไม่ได้บอกทั้งนั้นนิกายมหาวิจารย์เขาก็ไม่ได้บอกแกเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าน่ะท่านเี้าว่ะเป็นโลกุตระทั้งรู้ทั้งนามท่าเข้าเป็นกายทิพย์แต่ไม่เกิดกายจะตายแต่ที่เข้ามาแสดงว่าเกิดว่าแก่และปฏิทินให้ดูน่ะ คงแสดงในความกรุณาต่อสัตวโลกที่ยังจงอยู่ในความหลงถ้าไม่แสดงอย่างนี้แล้วสัตะโลกไม่มีโอกาสเกิดนิพินิิทาสัญญาอนิจจาสัญญาสัพพโลเตออนุทิรติสัญญาถ้าทําอย่างนี้จิงจะต้องโลกจึงอุทาว่าอพิโูแม้แต่ศานาพระเจ้าก็เกิดยังต้องถูกพายเจ้าพยาพิทุกกับบริษทุกข์ครอบงำจะป่วยเก่าพยากับผู้เก่าเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วสัพโลเตออนุิรติสัญญาก็เกิดขึ้น นี่ก็อธิบายอย่างนี้นี่คนนี้กายมาฮักะบไม่ใช่เฉลียววัเลยครับอันนี้ต้องอย่างนี้กายกันนะอันแรกที่ยี่สิบสามถามมาบอกว่านี่กายอื่นทั้งสิบเจ็นั้นมีทางมาลูกอรหัน์ได้หรือไม่ถ้าเหตุใดผมเชื่อว่างนี่กายใดก็ตามถ้าปฏิบัติตามมากมีองศาแล้วเป็นมาลูกอรหัน์ได้แน่เลยครับแต่พอทุกๆนิกายเขารับรองมาอริยมามีองตาเป็นหลักต้อกันไม่มีนิกายใดปฏิเสธอริยสัจสี่เครับอันนี้เขาจะไว้ด้วยนิกายทั้งสิบานี่ ทุกนิกายสอนอาญาจากสะ <smiled> ติจากรถกระบสอนโูที่ตะเคียนทำเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่ไอคำอายาวาเมียต่างกันดีความมียต่างกันหลัดใหญ่ใในศาสนาพุทธน่ะรับรองโงกันหมดวินัยก็โกงกันตาจัไม่เื่อข้อติข้อใหญ่เล็กๆอย่างพวกวชีบุตรเนี่ยอเรื่องบัญญาติข้อเนี่ยเป็นบัญญาติข้อหดเล็กน้อยๆเดี๋ยวการไอการขบฉันอะไรนหน่อยนั่นเองเนี่ยวไเป็นเหตุที่ข้ามมรรล้วครับไปนอย่างน เพราะนั้นมีกายทั้สิบแปดนี่ถ้าปฏิบัติตามมักแปดเป็นเครื่องคัดแล้วมักผลก็จะหนีไปไหนเสียท่านสุดที่เตชู 2, พิฆูถา ม, มาว่าอาตมาขอถามในเวลานี้ฝักนะผู้เรายังมีอยู่กีกกี่มีกายอาตมาอยากทราบอาจารย์ผู้วกาคัจฉวชีสามสิบคนที่มาพบพระพุทธเจา้าโดยที่พาหญิงเขี่ยวเล่นสัมราแแต่พอยหญิงอีกคนหนึ่งขโมยเอาเครึ่งประดับไปแล้วเขี่ยวตามตามตาย พ, พิพระพุทธเจ้า เขาตัองค์กเทศนาสดจนเห็นทำแล้วก็ขอบวชแต่จมาอยากทราบว่าเลยใช่ไหมพุทธการหาจีวอนก็อยากพรองคมาที่ไหนมาเอ้ข้อ น, นี้ผมตอบไปแล้วเลยครับและและในกายเนระว่างของเรามีอยู่ในประเทศไหนบ้างสำหรับเรื่องเขาต้องไปคินี้ก็ตอบว่าบาดจีวอนต้นเด็มาที่อำนาจบุญกุศลแต่ทางตอนที่าต้องไปคคือวาบาดจีวอนจะมาแล้วเพราะนั้นคุณไทยแต่โบราณจึสอนว่าถาเราทาบุญแล้วยางน้อยครั้งหนึ่งให้ถวายกายจีวออชาบริ้าพาไว้เพื่อได้ชาติต่อไปเราไปฆราชน์กได้มีบาทจีวอมาพ้อกับการ ไอ้พี่ขุนของเราเนี่ยเกิดจากอุกุศลตะพางก่อนครับปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธมีสี่มีกายก็ต้องว่าแต่ละที่ลประเทศประเทศละทีเดียวถ้าคุณถึงมีการใหญ่ๆก็มีมหาวิยาลัยะเขนละว่านี่เป็นมีกายค่ายใหญ่สองค่ายเนี่ยเขะาะว่าศาสนาเป็นปิดใจท้องค่ายมาหายานในประเทศทิเบตยแบ่งเป็นสีิกายมาหายานในประเทศจีนไต้หวันแบ่งเป็นแปดมีกายมาหายานในประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็นสิบสามมีกายญี่ปุ่น น, ะนั้นนี่นี่คือมาหายานหมดแล้ว ตอนนี้กลุ่มแถววัดแถวว่าก็มีประเทศพม่าไทยเขมรลาวลังกาเนี่เป็นหลักใหญ่นี่กลุ่มแถววัดออกมาให้ยามีรูปในประเทศในประเทศในปายในปายก็มีสีนีกายในปายมีม้าหยาดอีกมีอยู่สีนีกายแล yup. <po target> the world. The world ้วก็ประเทศสุทัลัที่เล็กๆแต่กลุ่มมูลของแตนเองสุทัลเนี่ยก็มีอยู่อีกสีนีกายเนี่ยีม้ายานเขาคุ่มหายาดกลุ่มเถววัดไม่พม่าม่ลาวไม่กาย ในรังกามีสีนิกายแต่มีอ น, นุนิกายเล็กอ น, นุนิกายน้อยแยกจากสี่นิกายอีกประมาณยี่สิบกว่านิกายในรังกายี่สิบกว่าเล็กน้อยน้อ ย, อยแยกไปเป็นสาขาเล็กน้อยน้อยแยกไปในไทยมีสองในขงเขมรมีสองในลาวมีหนึ่งนี่จบดุนิกายในพุธษาษาษาทธศาสนาอินิกายก็ไม่รู้ท่านก็ขโมยเราดูกัแล้วไงเราเขามีเท่าไหร่พ <c oughs> ี่ว่านี่ <c oughs> อาตมาท่านท่านทระวิชยถามมาบอกว่าอาตมามีความสงสัยในตอนหนึ่งว่า ทัานภูติทรรมชาวอินเดียนำพุทธศาตนามาประกาศที่ประเทศจีนซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นผู้วางรากชานิยายเซนซึ่งแปลว่าช้างยานหรืออรารักข้ อ, อนี้มีความจริงแค่ไหนเขาให้เชื่อธิบายด้วยเรื่องพระภูติทรรมชาวอินเดียเนี่ยปรากฏในํานานเประวัตฏของจีนเขา้าว่าพระภูติธรรมเนี่ยเป็นพิสุทธิ์ชาวอินเดียภาคใต้เข้ามาเมืองจีนในราวพศ 1,000 มาพบจักรพรรดิจีนที่ว่าเลี้ยงบูเตแสดงขติของนิกายเซน แล้วเจ้าเลี้ยงบูเต้ไม่เลือ่อยใสถ้าคุณจะทำก็ไปตัง้งคณะที่วัดซิวหลิ่หยีที่พวเขากรุงตัวในจรีนเหนือทําเป็นคนคณะนีกน้กลายเป็นในประเทศจีนเดี๋ยวนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ชาวจีนก็เชือ่อกันก็เป็นความจริงครับเขามีหล 3, ักฐานทางธึกษาเหตุยืนยันอยู่ในกลายเ็นเนี่ยเป็นในกลายหนักไปท้งแบนาวุรนกลายนี่ละอะไรละเอดได้ในัือเวยหลังที่กแจกรีกันนยอแยะนะฮะเวยหลัใงใครอยากจะได้ก็มีมูลชิกนจอมอไปที่พุทธสมาคมตเกงเต้งบนไกเขก้าตัว เขาบอกถวามาฟรีเลยให้จทที่ทำว่าละเอียดเถอะแล้วก็ ว, วามาฟรีเล่นหนึ่งเบยหลังสุดไว้หลังอะ่ะนี่ไกลเต็มผค้กระทที่ขูแกไว้จากกระต้านติดเว้หลังนะนี่มโนไปติดต่อจากสำนักเปลาเองแตงมามเปล่เก ง, งแต่งแบนมาั้งเป็นหมืนหม่นๆเล่มแล้วแจกฟรีมีปัญหาอะไรไหมครับในวันนี้อันนี้กายใหญ่ๆทั้งมหาทั้งอีกาตรมาสตรว่วาพวกเนี้ย อ่าท่านยังมีอะไรสงสัยหรือเปล่าครับในข้อคติธรรมท่านจะน่วามเห็นอะไรครับอารยว่าเนี่ยเป็นคำเรียกุูนิกายทุกปีกายที่ต่างจากนิการเทระว่าพราเราถือว่านิการเทระวะเราเวลาภาคของผ้าด่านเทระวะ้าร้อยงในท่านตะบันว่าจริงตัวเองว่าเทระวะพวกอารยว่าเนี่ยหมายถึงทุกนิการที่ม่ใช่เทระวะทุกมีกายเลยนะถือตามวาพากของผ้าอาจารย์ตีความพุกทุกขเราจะถือตามวาพากของผ้าดาห้าร้ยในท่านตะบัน จิ๋วาอาจะยอมเหรอเนี่ยอกมีท่านานักศึกษาลูกาบอกว่าการเข้ากระดาษของคุณจีนเนี่ยเป็นรรยานุสาวไป่เต็ครับเป็นธรรมเนียเขามีมาก่อนาอายานจะไขงจีนธรรมเนียมันมีาก่อนทาไมโบราณนนะ่ะเขาไม่เข้ากันหรอกงคนทั้เต็ม น, นะใคราจะจะาดินตาไปจีหนหรืจ้าวฮงาฝั ง, งบริวารมันทั้งเป็นเลยเข้าของขึ่นใช้ก็สบ า, ายจะทานยกม่ได้ลงหมดในรูดืนหมด รู้เมืมาต่อมาก็ผ่อนคาางงานลายไหมารนี้มันร้ายเหลือเกินผ่อนคลายมาทาให้ของหลเขาไปถ้าเราก็ทํารื่อเครื่องทั้งเครงเลย่ะทวายเคึงตั้งเครื่องก็่านี่แหละเนี่ยตอน น, น, <Evet. S 1> น, นี้เราไหนไรเขาเนี่ยัมไม่เป็นประโยชน์ทาไม่ไม่ชใช่คุณมเป็นใช่ไดาดีกว่าก็ทำในลูกเครื่องั้งเครงจีนอนะเป็นครืงกระดาษเผาเผาบ่านเขาทำอะไรสุดกรุงเทพเนี่ยเนี่ยกนโบาจริงนะเขาเผาม้นจริงหายเลยเผาบ้านตจริงหาย แ้วมันดูร้ายและเกินข้าคุณนรา่าจริงๆมันจเอาตัวตากระดากรเขาไปฆ่าในอนาคตไปไฉหรอกอะไรครับทวิชามเก็ดเดทั้งขับประวัติคุ้งจื้มไดลรัะรองกระหาบกัคุ้งจี้กู้แพ้เดกเป็นเพียงแต่เก็ดคุณท่านหลังแต่งขึ้นเป็นเก็ดของเาเราจีนเกดๆๆิดแค่เก็ดตัเองนะฮะมี<อ> น, นหนึ่งหาหอพุทธศาสนาปฏิเสธอัตมันแต่ถ้าเราทุกวันนี้ใช้คาแทนแทนตัวเองอัตมาข้อนี้ควันขนข้อนี้ก็แปลก ดูกรจิตตะคำว่ า, าตาอัตตาไ่รู้โลกอกมันานโลกฤทธิ์ติโลกอมห า, รรานภาาโครเจ้ไม่ไาภาษาลงเลด้วยเราไม่ได้ยึดถือจากชวยเอาไหมทา่านเองโบราณเข้ามาดูตัวเองว่าจะมาเรีกัเองว่ารูโบราณอ่ะเพาะาเก่าเก่าเดี๋ยวนี้ยัมรี้กตัวเองว่ารูช า, า, า, า, า, าเก่าเกาในยุคนี้คเนียเป็นความหมายว่างเห็น่ารูปรขัคือว่า ม, มีอาาัตตาไม่ใช่รูปรขัเนี่ยรู คามคุณเีกา ย, าายกว่าขลูออกพิธานุนนนนนน ญ, ญาตยังขันก่อยาวไปกรณีเอาจ่ขันขันแรกคือลูกขันก่อนจึงให้พิธานามขันตัวท่านรรปุแสดงว่าธรรมะการวอาตมาเนี่ยเป็นสมมติใับไถ่ใท่มั้นวันนี้ก็เห็นเจ้อของคนเลยครับขอจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้ครับํานวจาว่านางดานวจวิบาศแล้วอาบัตบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ห้ามตะกคาวรมะาวรนะอาบัตบางอย่างแต่ว่าผิดการีโลกนิยม ก็ไม่เป็นไรไม่มีเวรมีกรรมติด ต, ต, ต่อต่อไปทุกชาติน่ะนะเนะช่นว่ามีพระบัญญัติฆ้าม่ให้พระท่านอาหารเคี้ยวจับจพระบัญญัติฆ้ามาให้พระอ่มัดก่อนข้าวแล้วก็โยนเข้าไปในปากกิ น, นเล่นๆหรือหรือพระบัญญัติมาให้ทิ้งของปลวกกปลวกลายโส ม, มอ่าเอาไว้ในตู้ดูที่แม่เอาน้านทำละล้างเสียเมื่อเราเราติดธุระิดเคราะอย่างนี้เราก็ถึงไม่จะร่วงไปดูวงพระบัญยัติไปก็ไม่มีบาปมีกรรมอะไร นะไม่เป็นสักขาวรหรือมคาวร อ, อะไรทั้งสิ้นไมยถึงกะบตกตะลกหรือแบะบายอะไรทั้งสิ้นล็อกอาบาททัตพวกนี้แต่าอาบัต ท, ที่จะเป็นไปเพื่อเป็นสักขาวรกับมคาวรคือห้ามสวรรค์บ้างห้ามมรรคผลบ้างอาบาททัตพวกนี้จะต้องเป็นอาบัตประเภทที่เรียวกว่าทําไปแล้วสะเทือนสะเทือนบุคคลแล้วก็สะเทือนบุคคลบุคคลอื่นฝังคุมแล้วก็ทั้นตัวเองด้วยเช่นข้าเขาตายอย่างนี้ข้าเนตาย ถ้าเขาตายเนี่ยแม่ไม่เป็นพระก็ยังไปอบายแล้วอย่าว่าจะเป็นพระเลยหรือว่าอ่าประราชิกในข้อเกี่ยวกับเมตุนมอย่างนี้อย่างนี้แม่คดิษฐ์จะไม่ไปอบายแต่พระเราเป็นเพศประเสริฐเมื่อลวงไปแล้วการติด บ, บงังทั้งที่ตัวลูกอยู่ก็ถือ ว, ว่าล่วงโลกดวงโ ล, ก, ลกให้เขากราบเขาว่ายกันก็เป็นแผลในใจเขาเขาผิงกราบผิวไหวเราที่สุกผู้มีศีกกลมากราบมาไหวเราอย่างเนี้เราก็ได้รับ ผลที่เราทมามาเนี่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเต็มขายใจใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เมื่อเวลาจะดับจิตโดยที่ไม่ยอมตึกนขาลาเพศแล้วยังคองอ้างตัวเป็นสมณะมันจะสมณะกัปฎิยานีสมณะมันจะเป็นบรรพชิตกัปฎิยานีบรรชิตอยู่อย่างนี้แล้วเวลาตัวจะตายจิตก็เศ้าหมองจิตต้องเศ้าหมองเมื่อคำนึงถึงก ร, รที่ตัวทํามาก็เมืเ่อจิตเศ้าหมองแล้วก็ต้องไปสู่ทุกขติทุกขติตาปิดกลางขาเป็อันแน่อันนี้อันนี้อางบัตบางอย่างนะ เป็นอาบัตที่ว่าทางทำติดเตียนแต่ทางโลกไปติดเตียนอย่างเรื่องเรื่องประราชิกในข้อไมถุนเนี่ยโลกเขไม่ติดเตียนเขาทําได้ถ้าเป็นเป็นฝ่ายโลกแต่เมื่อทางทำติดเตียนแล้วเราทําไปก็ไปอบายอาบัตบางอย่างทางโลกไปติดเตียนทางทำติดเตียนแล้วทําเข้าไปแล้วก็ไปอบายอาบัตบางอย่างทั้งทางโลกทางทำติดเตียนเราทําไปแล้วแปอบายนะแต่อาบัตที่ไม่ใช่อบายคืออาบัติที่ผมว่ามานี่แหละข้อเล็กข้อน้อยเช่นอ่า ลืมล้างส้วมหมือเวลาไปส้วมแล้วลืมล้างส้วมไปหรือว่าผมผ้าไม่เป็นปริมนชนหรือเวลาออกจากวัดหรือเวลาเข้าบ้านอย่างนี้อาบัติประเภทนี้ล่ะไม่มีกรรมเวรแล้วครับไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอาบัตินี้ก็ต้องพูกเป็นประเด็นประเด็นไเอารวมบุ้มไม่ใช่หมดว่าอาบัตหหบิหมวดไหนไม่ไอาบายหมวดไหนไม่อาบายไม่ได้ทุกกฎนี่กันนี่แหละทุกกฎ น, นี่แหละบางข้อก็ให้ไปอาบายบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบาย ปฏิจจตีกับมันกันบางข้อก็ให้ไปอาบายบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบายอาภัตปฏิจจตีเนี่ยนะที่กล่าวกันว่ากายเทวดาเป็นกายทิพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทนี้อยากจะทราบาเวลาเกิดสงครามเช่นอย่างเวียดนามลบกันเนี่ยระเบิดต่างๆก็ระเบิดกันมากพวกเทวดาไม่โดนระเบิดตายเป็นพวกมนุษย์เราหรือที่ฉันผู้ถามถามคจะหมายถึงผู้คุมเทวดา นะหรือากาศเปเทพยเทพยดาเสัพเพเทพวดาในชั้นจักรมาหจรแล้วอู้ก็ห่างจากพวกเราเปนู้เป็นนักเป็นทางเดินของแสงแสงน่ะเดินทางเร็วมากแต่เป็อย่างนั้นยังไม่่างไกลเลยเท่ากับเทวดาเหล่านี้ที่แผ่รัศมีหมาส่วนพวกผู้เป็นเทวด า, ากับอากาศเปเทพยาดานั้นกูกระเบิดต่างๆเป็นวัตถุท่านเหล่านี้กายที่ของท่านไม่ขีดพันกับวัตถุเพราะฉะนั้นจะกระเพื่นแค่ไหนท่านก็ไม่กระเพือนด้วยไม่กระเพือนครับเหมืออย่างเราพวกเรานับบ่งอยูเนี่ย บอกประูที่เรานั่งอาจจะมีเทวดานั่งซ้อนเราตั้งร้อยๆองค์กระดาษดูที่ตัวเราเองก็ไม่รู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเทวดากายพ่านกันเก้ากายมนุษย์ในเก้ากายกันมนุษย์จะลุกลาข้าวไฟปูอย่างลุกกระโจนตส่กันอย่างไรวิมานท่านก็เมืนทลายได้หวั่นไหวเ้ามนุษย์นอกจากพวกชั้นต่ําจริงๆนะที่พวกผู้อาวุโหรือผูกเวมานเอกเปรดเนี่ยบางทีอาศัยสไฟวิมานตามตุ่นไม้ตุ่นไฟตุ่นไหลเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้ใครไปเลื่อนถอนตุ่นไม้เข้า วิมานทุกโค่นเหมือ น, นกันผู้นี้วิมานวิววิมาขขนถกโค่นพากันเอาในแง่ประเด็นี้แน่นอนละเวียดนามเบี่ยงระเบะิดสายการบูกเจ้าป่าน่ะเหตุใหมดเป็นป่าป่ะอุะยะทยภูณีถอนถอนสาวิมานออกไปทันแน่เลยเดีาะโูเวอร์งมาเนี่าถามถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือตามเรื่องในพระพุทธศาสนานนั้นได้แสดงว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำอนาติยกรรมคือฆ่าพ่อ จะต้องไปตกอเวทีมหานรกแต่กลับไปตกในโลหะภูมีอุตสภานรกซึ่งเป็นขุมเล็กกว่าการที่เป็นชิ้นนี้เป็นรพระพเจ้าชาติตรูได้ทำกุศลคือบำรุงการประสบสังขยาครั้งแรกหรือเป็นรพระพเจ้าชาติตรูฆ่าพ่ อ, อยยด้วยจิตที่เป็นสัสังคาริกคือถูกพระเทวทัพชวนแนะนำให้ฆ่า ผลงานคันนี้จริงไม่ต้องไปตกนรกถึงใหญ่กรุณาช่วยวิธีถ่ยด้วยอาพระเจ้าอาชาติศตรูน่ะฆ่าพ่อน่ะเจ้ว่าเป็นสังขาริกก็ไม่เชิ่อเพราะเทวทัศน่ะเป็นฝ่ายแนะแน่วิธีการทำแล้มันแน่น่ะแน่มาให้วันแล้วน่ะมันจะแน่ทุกคำตั้งระหว่างที่มาให้วันนี้น่ะอาชาติศัตรูยังกุลนี่จะฆ่าอันนี้เป็นอาสังขาริกแนะเอ๊ะอะไรจะไปอยู่สังขาริกเป็นเหตุกลเป็นเหตุการเป็นครูเรเหตุอาสังขาริกเป็นเหตุกลรเป็นสันติเกเหตุ เพราะในั้นน่ะที่ไอ้ชาวศัตรูเข้าต่อน่ยมีทั้งอาช้งขาลิกกสังขาลิกตนกันแต่อะไรไม่ร้ายเข้าไอ้อาชางขาลิกในเหตุไกาที่ออกคําสั่งให้ช่างตัดผมไปเอาใบมีดกรูเนี่ยกรีดท่าพ่อกรีดเท่าอย่างมีสานะถาเท้าสองข้างออกแล้วก็เอาเกลือทาอย่างบนไม้ไม้ตะเคียนเอาไม้ตะเคียนจุดไฟเท้าแล้วก็เอาเล่ยเอาขาพ่อนี่ปี้ด้วยไม้ตะเคียนผ่านเพิงไม้ตะเคียนนั่นเลย นี่อันี้เป็นออเอการีแกพระเทวทัพ์ในตอนนี้นี่พระเทวทัพพิยงแต่บอกท่านน่ะบิดตรงประชุปพบิดาเนี่ยพาพระบิดาหนักไปชนมากแล้วถ้าหากว่าตอนนี้พระบิดาให้ลายสมบัติท่านต่อโดยความว่าถ้วันต่อวัว่าพระบิดาสูตรฉุพิดิึันมาท่านก็จะไม่ได้รายสมบัติพระเท ว, พพวเทัเรรพ เ, เ, เ, เนน พ, เ พ, พเียงแต่พันธิกเองไอ้อาทุ่งเหตุเกรดไกล เออไอคนทำนะ่ะคืออาจารย์ส ก, กุเป็นสันติเกเหตุใกล้เป็นอสังขาริแทในประเด็นนี้ในประเด็ดนที่สัตให้ไปผ่าเท้าเนี่ยเทวทัศน์ไม่ได้สั่งแล้วอาจารย์สกุลทำเองอ่าเพราะเหตุนั้นอาจารย์สกุลจึงต้องสกโกเอเวจี G, แต่อาจารย์กลับตัวทันในปีนั้นเองเลยกลับตัวทันหลังจากพ่อตายแล้วไม่กี่วันก็กลับตัวพอพ่อตายไม่กี่วันพระทิวทัศนก็ถูกอเวจี G สู่ พอสูเก้าพระเจ้าประตูตัวใหญ่จะนั่งจะกินม่มีสุขพว่าเลยนั่งจะ ม, มีสุขเลยแต่ทั้งวันหนึ่งเป็นวันสิบห้าข้อสิบห้าขเดินสุกสาทีเดียวพระเจ้าข้าร ะ, จะารจูจะหาเลสอยากมาาง้าพุ้ธิจ่าเ่จะทูนขอข ม, มาตัวเองหาเลขาเซ็มากด็คิดติเรอขึ้ น, นที่ประชุมเนาดีว่าเอานารีนี้ อาจารย์ก็ทำเป็นโม้แลแ้ว่ามุสลิมกบาง่งที่หอมฟริ้งึนใจเหลือเกินเราปรีเช่นนี้นะเหมาะสำหรับเราจะมีรุ่นมาทำกับผู้เจ้ารักที่สมณะขาเออมันจาหลายท่านเห็นว่าสมณะความจะัที่คนไหนนะที่เหมาะทุกคุณกับเราจะไปพฒนานี้ในคืนนี้ไม่ช่เกงก็มีรืองก็คือคำหดนะต่างคนต่างสมโนตัวแบบว่าถึงตัวน่ไปทางหีี่เนด็กนาอ่าะคืนนตัวคนนเล่นคนเ พระเจ้าเจ้สูงก็เฉยเพราะว่าที่พูดอย่างนี้นะพวกคือจะทิ้งใครนะครับชีวกหมอชีวกปูมารพัฒนแ้หลวงคืนโคนอดีข้าวุฒิเจ้ารอนนีหมอชีวะเป็นอุี้อเวลาที่ขุเจ้าู้วุฒิเจางวันมไม่รวแ่ทั้ที่ปฏิบัตหเมืองราชเพราะฉะนั้นนะก็เล้ที่หมอชีวะหมอชีวะก็ทำร่วมกันจะทําทีเฉย ไม่อยากจะไป่างก็เพือคือคือสุดเขารอถ้ากยังเชี่ออารอามาเห็นว่าเกนี้อยู่ไม่อยากจะทำย่างเขาออกเป็นผู้ที่เชสาใจต่อนเอ๊ระเจ้าค่ตรูก็เห็นว่าเอ๊เราพูดเล่าไม่เห็นหมอจีวอก็ทำไมเย่ะจิงด้วยจีวก็เออจีวก็ทำไมเองเฉยว่ะเอ้เห็นว่า้าคนไปอ่าพนักาก็สมณะพนักหมายที่ไม่พูดกันมาบ้างล่ะหมอจีวอก็บอกพระเจ้าค่ะถ้ายาอะไรคกล้า ข้าพระพุทธเจ้าข้าให้กาบพูนแล้วก็เห็นทั้งครตังเดียวคือพระผู้นี้กระทอาหาร้มาพระพุทธเจ้าเวลานี้ที่องค์ระทับที่สี่เสือมัง่วงของข้าพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าก็พระเจ้าจ้ารืูก็เตรียมยกบกกองบริวารมาทราบที่ไองค์ตูงขึ้นตู้ชาติิังชื่อพัฒนาดีเป็นนางข้างขันเป็นข้าวติณังเสด็จออกมาพ้อขบวนกิจพยศพอมาถึงชายาศีละกรมภวันรู้จากนอยสิวว่าฝ่ามังวงนี้มีพระอยู่ วิงพันกว่าลกูกเอ็งมาสีสิง่กอ้ายนิดนึงก็มีคนตั้งอันคนอยู่ป่าลูกสงแต่ อ, อ้ัน่น ก, ก็ผิดทีละนึกว่าระไทยธรรมดาเขาตัวเองายกลัวว่าหมอทีวกจะคิด ก, บบ ร, ะะกะระเด็แต่รกเระหว่างเวลาที่เราตัวมีสุขกับพวกจักาันทีอยู่หมอชีวกแต่ลวมันจะลัทีจะไปฆ่าเอ็งก็ขันขับมาที่หมอชีวกหมอชี ว, ม, วมันทายทาอาจรจะอาจระาทบอยู่ที่หัวข้าเป็นรงเป็นูกเป็นรงข้าพที่น่์เอง ชีวาจำได้รลงข้าออกมาให้คพระที่ฆ่าหรือเปี่าเพราะชพระเจ้าข่าอยากด้วยงกลัวไปเลยพระผู้ ม, มีพระภาคทงโปรดเสียงร้อยจรงยงความเมียดประัเพราะฉะนั้นพระเฝ้าคู่พะองค์น่ะจึงเป็นผู้ที่มีความปวดขันในเรื่องกามเมียดในเรื่องมารยาควาสมสงบอย่างยิ่งนั่นแนลพระเจ้าข่าตอนที่วับันบอมอยู่ใน่ามกลางนาสดทุที่เไปใต้คือเต้าโขงเจ้าข่าพระเจ้ากษริยอค์ก็ถอดพระอุ้หีบออก นะแล้วก็ขอดล้อยขบาทแล้วก็สเสด็จเดินเ้าเป่ามอสุยกตามเศษเข้ะมาถึงสังาคารคือหอองค์รมในการชีวติตจำภวันโอ้โหเห็นทุกเห็ น, หนท่าทหารสาวุกนั่งกับนั่งพันกันรูปเต็มหมดไม่รู้ว่าองค์ไหนไคือพระพุทธเจ้าถพาไปเคืรู้พรพุทธเจ้ามาก่อนเลยเป็นสรตูกับพระองค์ให้เทวพัทยุททพระองค์ก็ อ, าากอนฐ า, า, า, านเสือีวะองค์ไหนคือพระพูทรงพระาขอชีวะกร บ, ก บ, กบอชนแน่พระเจ้าค่ะองค์ที่ ทิ้ทปิดเงไว้กับเสากลางศาลาฉันก็พรกไถึพิจุลาว่ะทัพอยู่ใน่้ำกลางสงองค์นั่นแหะคือพระอันต์มบัติสมรขพระเจ้าอาชาสุตก็คลานเข้าไปเศ้าบอกกลาวกับราทและวอ็พูดบอกว่าขอให้อภัยทัพทุมารของหม่อมฉันดังมีความสงบะดับอทีุสูงบริสุทธิ์บัติีิเถิดพระเจ้าค่ะถ้าหากาอภัยทัพุมารของหม่อมฉันจะพึงเป็นผูมีมารยากามสงบเดียวกับพิสุสงของพระองค์ อย่างนี้แล้วค็จะเปวามจะเริ่มจิตจเริ่ใ จ, จรใจของข้าพระองค์เป็นแน่นมันก็เจ้าค่ะพูดอย่างนี้อภัพยพระทัุมานคือลูกชายคนโตก็อาชญาระ ต, ตรูเกิดตนวันเดียวกับพระเจ้ามีสารตายทางนี้สารข้าพ่อทางนั้นมีออกอุตัวที่นู้นไหวความรักหน่ยเป็นพ้อของลูกเนอย่างไรเพราะนางกำนันมาสู่ข่าวมาเพราะมเหสีป็นสุรรักแล้ ว, หวแหมดีใจและลูกชายคนแรกเกิดความเป็นป้าจ้า เพราะเก็ม่ดีางก็เลยจไอ้เราเพ่อเราของคุณจะสึอย่างเราเหมือนกันวิ่ไปหาแม่พนังรูกาคุถามว่าแม่แม่เมื่อเวลาฉันเกิดเนี่ยพ่อเขาทำกิริยาอย่งไรบ้างพนังรูดกาบอกพ่อเขาเปอาการอย่างนี้เล่าให้ฟังแล้วยงเล่าบอกว่าวันหนึ่งตกหม่ออาชาตะลุยเป็นเติมเป้นลูาลูกสุ่และอ่าที่ท้า่ะหูไม่ท้าน่ะบื่มไปดุดตอไม้เขาบ่เป็นหองอาชาพระเจ้าแผ่นดิสาร่ะเอาพระอุดูน้องจากลัไม่ท้าของ อาชาตสกุแล้วก็บวงทิ้งดูสิความรักของพ่อมีต่อเจ้าอย่าง Jenny, นี้อาชาตสกุฟังแม่เล่านี้แล้วอกจะพังไม่ได้รีบออกคำตัาค์บอกว่้มาเลยรีบไปฟังไอ้ไอ้ช่างผมช่างตาผมเนี่ยอย่าตัดอยาก่าเ้าบ่อคูงขาช่ะอย่าแยกเอาาบ่อคูงขาใชนะหฟังไม่คันแล้วบอกว่าเพาะจะมีศาลทนทิบ่าแพ้ไม่ได้ทิ้งผม้ชมสาที่คู่นี่เองแล้วเท่านี้แหละอาชาตกุลคือมีฝันดีแล้วบอกว่ามากแล้วเราต้องตะโกนล็อกแล้ว เพราะฉะนั้นกรรมของอาชาติสุตูกรรมหนาประการที่หนึ่งรวมกระทุ่ระทัดลอยช่างนาลาจีนีหรือช่างพณมานออกมาเป็นเจตปรหารพระพุทธเจ้ากรรมที่สองทำไป ด, ดูค่ะเพราะฉะนั้นสองกรรมนี้หนอาอชาติสุตูเที่ยงที่จะไปเกิดในอุตติแต่เขาว่าหลังจากที่มากลับใจหลังจากฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีุเจ้ด้แสดงธรรมให้ฟังแล้วอาชาติสุตูก็ทูลขอขอมาบอกพระเจ้าข้าม่อมฉันเป็นผู้เข่ขาผู้หลงเห็นตาลใดที่ได้ เอ่อทำร้ายอันตรายต่อพระองค์แต่ทำร้ายต่อพระราชบิดาแม้ความเขาความหลงอันนี้เป็นความผิดขึ้นหม่อมชันขอพระองค์จงได้รับอาจจะโดนโทษโดยความมิโทษ่วรโกรนสี่ข้าพระองมีทำร่วงแล้วเกิดพระเจ้าค่ะพระสุรินทภาคเขาบอกว่าเอาเถอะมหาว่าโทษอันใดพงไม่ทำร่วงเกินไปแล้วเป็นอันว่าประทับโทษรับขมาโทษอันนั้นนะการที่ผู้ใดรู้สึกว่าตัวผิดแล้วก็มาขอขมาอย่างนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยอาจารย์ศตูปก็กลับไป พอสัตไปแล้วพวกฤๅจ้าประจักรกับพี่สุทั้งหลายก็สัตย์ตรงนี้ได้ถึงกว่าที่หายใหญ่แล้วถ้าหาว่โธ่ไม่ทำไปสูุฆ่าโธ่ดาวปฏิพินธ์จะพุงเกิดไปเธอณอาสนะนี้เองนี่ก็แปลว่าเพราะเหตุที่ไปทําอนันตริยกรรมเข้าก็เป็นมัคคาวรแล้วก็เป็นสักคาวรด้วยแต่เทว่าหลังจากงั้นอีกตั้งสิบกว่าปีไอข้าสตรีก็มันมัเพลิงสร้างตัวสงฆ์ทำบุญทำทานแม้กระทั่งลูกขุนตากระดาปรียบิพันแล้วยังเป็นผู้ที่ ขนขวายบุรณะวิหารสิบแปดแผ่นรอบๆมือราจกษัติ์แล้วก็เป็นผู้ประทับทำสมสังขัยอยางายนาด้วยกุศลอันนี้แหละเป็นเหตุให้ผ่อนกรรมของอชาชญาศัตรูไม่ต้องไปตกในอเวทีตกแค่นโลหิุุพีถ้าจะเปลี่ยนต้เหมือนว่าไม่ต้องไปอยู่บางขวางอยคู่กรูกเนี่ยเ้าคูกัอยู่ระหูอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปานาจิบาถามว่าผู้ฆ่าตัวเองทายทไมไม่ล่วงจำบทสบทงบเป็นปานาจิบา ทั้งๆ ท, ที่ผู้ฆ่าตัวเองก็รู้ว่าตัวเองชีวิตการที่จะอ้างว่าผู้ฆ่าตัวเองตายนั้นจํามไม่เท็จจริงค่ะคือขาดข้อาาตานักสัญญาหมายความว่าในข้อที่ว่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิตนี้มิได้มุ่งหมายเอาตนเองหมายเอาสัตว์อื่นๆที่นอกจากตนเท่านั้นจะเป็นไปได้หรือหรือมีความเมื่องหมายอย่างไรปรินาให้โทรหารที่ง่ายกว่านี้ด้วยจะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องดูขึ้น ผู้ที่ฆ่าตัวเองตายน่ะผู้นั้นพอใจที่จะฆ่าอันนี้สําคัญมากประเด็นนั้นเนี่ยเราฆ่าสัตอื่นให้เขาตายไปที่เป็นบาปกรรมมากนะเพราะสัตอื่นน่ะเขาไม่ได้บินดีสมัครสมงสอนอันใดที่จะให้เราฆ่าเขาเลยเขารักเขาหวงแหนชีวิตเขาการที่เราไปฆ่าเขาน่ะเขากลับไปล่วงละเมิดกฎศิษ์ของเขาโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องลาวประคำเขาอย่างนี้กรรมันนี้หนักมากจริงฉันเด็กเป็นปาณาติบัตแท้วนที่ฆ่าตัวเองน่ะผู้ฆ่าพอใจที่จะทําตัวเอง ตัวทำตัวเองอุประมาณคล้ายๆว่ะเรามีเงินมีบ้างอยู่ในตัวร้อยบาทเรายินดีจะผิดบ้า์ของเราเองร้อยบาทล้วก็ทิหายแล้วมเราเองโดยขาดประโยชน์รายได้จากไอ้แบงก์ร้อยบาทเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มาทินะหายคอยเราด้วยนี่นะเนี่ยใครสิเลยครับเป็นจุด ป, ประเด็นสาคัญมากเกี่ยวว่าทาไมค่าตัวนี้มันเป็นบาชิกเนี่ยแม่และมันเป็นองคตาหนาตีบา อ, อะไรเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับข้อที่สองมนุษย์ผดเดียนเพศเป็นสัตว์ดรัฉานหรือสัตว์ดรัฉนเปลี่ยนเพศเป็นมนุษย์ มีไหมและเป็นไปได้หรือไม่มีกรุณาบอกชื่อและบอกที่มาด้วยมันไม่ไเปลี่ยเพศเปนเรียานะเรียชานที่เปลียนเพศมนุษย์มีไหมนะฮะเป็นไปได้หรือไม่และบอกชื่อบอกที่ออมาด้วยอ่าเป็นไปได้ครับที่มาที่ไปในปัจจุบันมีอยู่ในประเทศอินเดียประเทศอินเดียนะครับมีพวกหมาห ม, ม, มาป่าพวกนีหมาป่าเขาเรียกหมาหมาป่าพันควายเขาเรีกยกกันยังไงหมาป่าพวกนี้น่ะพิกนอยู่บางตัวน่ะลูกตายทั้งครอบตายทั้งครอบ มันมาค่าลูกชาวบ้านไปกินลูกลูกผู้ชาวนาชาวต่าเนี่ฆ่าไปแล้วไปเลี้ยงข่าไปเลี้ยงแต่ยังนอนมอกอยู่ข่าไปเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีเชพอโตขึ้นไอ้ลูกหมาป่าเนี่ยกลายเป็นหมาจริงๆมีขนนอกเป็นตัวคาร์สิงห้าไม่ถูกภาษมนุษย์หน้าตาเป็นคนแต่หอนเป็นเสียงหมาป่าแล้วที่ความเป็นอยู่เหมือนหมาป่าทุกอย่างตามวิ่งตามแม่ของมันด้วสิงห้าเนี่ยไปเที่ยวหากินกินของดึกกินสัตใกล้ตัวทั่วกระต่ายกินจับกระต่ายา ก, กายินรวดเร็ว เดืองป่าเป็นยังหมาป่าพิ้งพิ้งนี่ลายหนึ่งที่ประเทศอิรานหรือที่ว่าเบอร์เซียก็ปรากฏว่ามีลูกหมาป่าประเภทนี้เกิดขึ้นที่อฟริกาในปาโตโต่าคอนโกพวกกลิลล่าลิงกลิลล่าลิงกอริลล่าเป็นลิงใหญ่ที่สุดในประเภทลิงทั้งหลายในโลกเวลานี้มีหน้าตาอาการใกล้คนและเกิ น, นลิงกลิลล่าเนี่ยหน้าตาใหญ่มากอ่าขนาดตัวโตขงมันอ่ะสูงขนาดหลายของเราแต่ลำตัวมันอ้วนกว่ามนุษย์เราสองเท่าตัวลิงกลิลล่านี้น้ำหนักก็หนักไปตามส่วน ลิงกอริล่านี่ยรู้จักคําเพลิงเอาไปไม้มามุงเป็นเพลิงอยู่แล้วตามปุ้มพุ่มไม้แล้วอยู่กัน็นครอบครัวลิงพวกนี้บางตัววันดีคืนดีไปลักลูกพวกมิโก้ชาวป่ามาเลี้ยงเป็นลูกเป็นนมตัวเองแล้วก็เลี้ยงบันดีคืนดีไปลักพวกหญิงเกิร์มเป็นเมียเอาหญิงเกิร์นี่โอ้เม่เป็นเมียแล้วก็ไอ้ลูกที่ตัวเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นลิงขนออกปุบปุยเหมือกับขนลิงเพรากินนมลิงนี่แล้วก็อยู่ในป่าธรรมชาติก็ปรับปรุงฐานะของมันให้เหมือนกับลิน ทั้งทั้งในหน้าตาก็เป็นคนโขนคนไม้ ก, ก็เก่งล่องถึงเป็นลี้ยงผู้ภาษาคนไม่ได้กินอาหารอย่างเลีงกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนีม่มนุษย์กายเป็นเรียดฉานมนุษย์กายเป็นเราานียดฉันเห็นเห็นตัวอย่างปัจจุบันก็มีอยู่ไม่ต้องเอา่องทานโดกรู้หรอกเอาลูกตัวอย่างปัจจุบนนะันมีอยู่จริงจริงแล้วแต่ไอเรื่องเียาฉันกลายเป็นคนนี่ยังไม่เจอเรียดฉานกลายเป็นคนนี่ยังยังไม่เจอครับนี่ไม่มีตัวอย่างครับในปัจจุบันในพแต่ายไปโดมีไหมในพระต่ายไปโด มีแต่ชางจันเนคนมีแต่มีแต่แปลงมามาจะกลายจริงๆแปงลงด้วยอำนาจเลยเช่นพวกพญายนาหน้าคสิละ่ะแปลงมาเป็นเป็นมนุษย์พวกมนุษย์เนี่ยจำแรงเป็นมนุษย์อย่างพวกผีเสือ้อผีเสื้อยักจำแลงตัวเป็นมนุษย์อย่างนี้เ่งอธที่ว่ากับโบตลอดนอดฟังเป็นมนุษย์กระทั่งตายหนะยังไม่ปรากฏครับแล้วที่ที่คนเหล่านี้เปลี่ยนเพศไปนี้เพราะทำอะไรคนเหล่านี้เปลี่ยนเศพศเพราะทำอะไรอย่างนี้ถ้าจะให้สมิฐานนะฮะ บริฐานที่ว่ามันคงจะมีการอบรมกับแม่ลิงหือแม่หมาป่าไปข้งก่อนก็มั้งเคยอบรมกันมาเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนอะ่ะท่างนี้เลยเกิดความพิมัยเมตตาเป็นมาแม่แต่แม่จะไปกายเป็นเดียร์ชานเป็นหมาไปแล้วลูกก็เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก, ก, ก, ก็ยังศึกษามาตาม า, มาประครับประหงุประถมกันก็จะว่าเขาจะไห ว, ว น, นั่นอางนี้เคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนอมีคํากล่าวว่าผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไม่มีเชื่ อ, อผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไ ม, ม่เชื่อตัวผู้ผสมนั้น ตามไม่ได้ว่าเป็นการเล่นจากการบริโภคจัดที่มีชีวิตเพราะแม้ว่าไข่นั้นจะไม่มีเชื้อตัวผู้ ผ, ผสมอยู่ก็ตามแต่ก็มีจัดปฏิสนธิขึ้นแล้วจึงเป็นไข่ได้ข้อ เ, เห็นที่ทําให้มันดาตั้งครรภได้มีแปดอย่างมีเมื้อนังสองโจ ร, ราท้านังสามสังตะโคสีนาธิอา ม, มาสนะงห้าปานังหกชัดจนังเจ็ดตะวันังแปดไขยนะงทงอยากทราบว่าไขไก่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ ผ, ผ, ผสมนั้นมีชีวิตหรือไม่และมีได้อย่างไร เพราแม่ไก่บางตัวที่เขาขังไว้นั้นไม่ได้สืบพันธ์กับไก่ตัวอื่นแต่ก็มีไข่ออกมาได้เหมือนกับไก่ที่ได้ผสมพันธุ์มันก็มีมีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซนนี่แหละครับไข่ที่มีเชื้อผสมเนี่ยมันก็มีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซนที่ยังเป็นเซนอยู่นะเพราะฉะนั้นคทางที่ดีท่านที่ถือถือกรรมบทที่เคร่งนะ่ะก็ไม่ควรต่อยไข่เองทุก ป, ประเภทไม่ควรเรื่องข้อนี้ที่ว่คุณจนะต่อยขายด้วยมือตัวเองคุอจะไม่ ถิ่นลำวัวหมองก็คีมถืออย่างนี้ให้เคลื่งไปเลยจะได้มนนี้ความมันเกลียดเกียดขันในใจเปมีปัญหาข้อหนึ่งนะจ๊ะเป็นเป็นการนักนะแต่ทีนี้แม้แต่ตัวนั้นจะฆ่าโดยเจตนาหรือไม่ไม่มีมเจตนาก็าต้งตกในโลกอเวุีแต่ว่ามเมื่อเร็วๆนี้มีตัวอย่างมีคนห น, นึ่งที่เป็นข้นาการก็ขับรถไป รักพอนุ่มหรือบ้านนอกพัเดอจะต้องมีวิบากอะไรก็ไม่ใช่วันเลี้ยวรถรับไอ้ประตูรถเปิดถูกข้อก็ปเดปรเดรถตายอย่างนี้จะต้องเป็นคมอนุเบกษ์ัน น, นิษฐพราเปิดประตูรถถูกข้อถูกข้อตายพอดีนะคือ<แ>ว่าประตูรถเปิดนะรถเวลามันเดียวเนยแต่เข่อนั่งในรถนะใช่แต่เป็นนั่นแต่ประตูรถขั ไม่พยายามพยายามทำอะไรอะไรอย่างนี้คือว่าลูกชายขับรถแล้วพ่ออยู่ในรถเสร็จแล้วประตูรถปิดแน่นพอเรี้ยวรถไปความแรงที่เรี้ยวรถเนี่ยประตูรถเปิดทางมาพ่อกระเด็นจากรถมาตายข้างนอกอย่างนี้คนขับรถน่ะไม่ได้วัรนกาเจตนาที่จะฆ่าไม่มีไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็ตามไม่มีขณะนั้นมีแต่กาลังขับรถอารมณ์ของจิตเนี่ยส่งไปในเรื่องอื่นๆไม่มีอารมณ์ที่ฟ้อนเจตนาที่จะฆ่าเข้ามาในใจเลยตัวในกรณีที่ว่าพ่อแม่ไปซ้อนในหลอมฟางเปรียบอะไรให้ฟัง แล้วลูกชายก็ไม่รู้เอาหอกดาบถือไปรองฟังไปตั้งจิตคิดว่าในรองฟังนี่จะมีผู้ไร้ายซ่อนอยู่ไอ้วัศกาลจะเจตนาจะฆ่ามันมีตอนนี้พระโอรสมีดาบไปถูกพ่อแม่ตายมาภายหลังเข้ามาอ้าวแม่ไปต่อนอยู่ในรองฟงังแม่ก็ตายไปแล้วยังกรณีเช่นนี้นะ่ะเป็นอนันตรียก า, ามเพราะอะไรเพราะผู้ที่เป็นลูกชายนั้นน่ะมีวัศกาลเจตนาจะฆ่าส่วนกรมีขับรถนี่เขา ม, มีเจตนาจะฆ่านี่ไม่นมีเจตนาบอกกูขับรถเรียกนี้นี่กูจะให้ประตูรถเปิดทางออกมาแล้วใครก็ไม่รู้กระเด็นมากระช่างมัน ข้าหว่ามีเจตนาว่ากูจะแกล้งขับรถให้มีคนกระเด็นออกจากรถตายนี้แนะ่ทีหอนนะครับจะต้องไปอนันตริยาการแต่ขณะที่ขับรถเนี่ยเลี้ยวรถหนึ่งเขาไม่มีไม่มีว่าจะว่าจะกะเจตนานีเรื่องเกี่ยวกับารฆ่าว่ากับมันเลยใจเลยเพราะนั้นในกรณีนี้ไม่เป็นครับไม่มีอนันตริยาการครับกรณี น, น, นี้นะเพราะไม่มีเจตนาใช่ไม่มีเจตนาตคิดความคิดจะฆ่าไม่นี้ไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็ตามไม่มีในขณะนั้นขอบคุณนายเออท่านผู้ใดมีปัญหาถามก็พอเชิญครับ การอธิบายถึงเรื่องปรมัตดกับนัญญ์เพร า, า, าะว่าบางอาจารย์กล่าวว่าเราพูดว่าร้อนแล้วก็ยกวุวไทยว OT, ่าฮอตฝรั่งว่าฮอตอะไรอย่างนี้ซึื่องนันย์แต่ไม่ให้พูดให้ได้ความรู้สึกนั่นเป็นปรมัตดที่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งอาจารย์กล่าวว่านั่นยังเป็นนันย์เพราะว่าปรามัดที่แท้ต้องนัญญาณ หมายความว่าชค่เหมือนตงรง น, นั้นร้อนนั้นระวังตอนนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงคือร้อนไม่เท่ากันแล้วเห็นการเปลีป่ยนแปลงระหว่างความร้อนนั้นในยานซึ่งเป็นสาระมัดตรงนี้ในส่งนยยะนี้อ่าแล้วเามีไม่เข้าใจว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดโปรดอธิบายอบเขาพูดช้าๆว่า อากาศของความร้อนเนี่ยแม้แต่ชาติภาษาต่างๆเนี่ยไปกลรักษานะครับแต่ปรมัติแล้วตัวมีความรุ่มึกจากการสัมผัสเนี่ยว่วมันร้อนแม้แต่แัตสายก็มีความสัมผัอย่างนีอันนี้ใชไมนั่นใไหมในน่ในเเนยะรับที่ีถามต้องการถามในแง่อะไรครับถาไม่เข้าใจเนี่ยปรมัเพาะว่าทำไมตีมันจยความร้อนหราร้อนไม่มีนั้นเียัก็มาเลยอาจารย์เป็นที่ปรามัดนี่นะครับ นายแรกบอกว่าไม่ให้พูดออกมาให้ใช้ความรู้สึกว่าร้อนก็ร้อนคู่ัวไปนี่นั่งในคุปรมัตถ้าพูดมาเป็นมันนี่นี่ไงหนึ่งคิดให้หนูบอกว่าไม่ใช่ปรมัตดที่ต้องเห็นได้ในย่างนขอมหนูมาส่งนิดห่างนี้ออกคันความร้อนเกิดขึ้นนั้นมันมีความเปลี่ยนแปงระหว่างความร้อนนั่นเองคือมันร้อนไม่เข้ากันเองถ้าเห็นการเกิดจับในระหว่างร้อนนั่นไ้กับปรมัตด ของในนี่จะถือในไหนไม่สนใะอ่าของในนี่นะครับคือท่านผู้ถามถามนี่บอกว่าความร้อนนี่นะในแนวในแนวปรมัตินี่นะเราพูดดีปากออกมาเป็นบัญญัติร้อนเราจะรู้ว่าร้อนแท้ในแนวปรมัดจะต้องอาศัยผู้สภารมการสัมผัสถึงจะรู้อาการที่เป็นผู้สภารมในความเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นปรมัิแท้ทีเดียวแต่ถ้ามาพูดว่าไอ้นั่นร้อนไอ้นี่ร้อนภาษาในการบรรยัติไปยนี่ไงหนึ่งใช่ไหมฮะ อีกในหนึ่งว่าต้องรู้ในยานความรู้แตรู้ในยานเป็นจะเป็นอ่ารูก ป, ประมัดแท้สองในยานนี่นะครับความรู้ในยานนั่นอะไม่ใช่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับร้อนครับเรื่องของร้อนหรือเรื่องของหนาวไม่เกี่ยวกับยานเลยถ้าจะพูดไปแล้วเรื่องของยานทศนะนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเย็นร้อนอ่อ น, อ, อ, นอ่อนแข็งแต่ต้องการให้กําหนดในความเป็นอนันตรจังทุกขงังอนุตตาให้เห็นความเป็นของว่างเปล่าไม่เที่ยงคงทนอยู่ไม่ได้นี่เป็นเรื่องยานจิตของยานทศนะเป็นเท่านี้ สมวนเร่ย็นร้อนอ่อนแข็งน่ะเป็นหนึ่งสุภาษะเรื่องต้นของรูปตัณฑาญันที่ให้รู้ว่าย็นรอนอ่อนแข็งเป็นเพียงแต่ต้องการทําลายคณะสัญญาคือสัญญาที่ข้าไปยึดถือเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นกลุ่เป็นก้อนเป็นกลุเป็นตนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่แยกเลยหรอกมาว่าแค่ชิ้นในกลุ่มก้อนนี่นีมีมันมีแต่ไอ้ความร้อนความอ่อนความแข็งความเหลวอ่าไอ้ไอ้เป็นแก๊สไอ้ความเหลวก็ได้แต่้อาฟูธาเนี่ไอ้แก๊สก็วาโค่ะ ไอ้ความรอ้อนก็ุณหภูมิแหละก็เป็นเตโชพาดไปแล้วก็ไอ้ปฐวีธาตุเนี่ยคือความแข็งนี่คือความแข็งตัวนี่เป็นปฐวีธาตุตกลงว่าดินน้ำไปลมเนี่ยเขาจะเพีเยงกับวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ความแข็งความเหลวแก่และก็อุณหูมิอันนี้อันนี้เป็นเพียงแต่บุพภาสําหรับให้วิวัตนาญเข้าไปเกาะเพื่อจะกระจายความ ทยเป็นคณะสัญญาให้หมดไปะเองไม่ใช่เรื่องกิจนัยนักนาเรื่องกิจนัยนักนามันจะเป็นนมัลลุอะไรร้อนอะไรอ่อนไม่จำเป็นทามะม่วงครนอย่างเงี้ยไม่ใช่นักศาสนาแล้วกลายเป็นเรื่องนอกยานแล้วเรื่องาในเนป็นเรื่องของการกำจัดกิเลสขณะที่กาจัดกิเลสไปนัศาสนาปัญญาก็เกิดเห็นความว่างเปล่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์กกับไปด้วยในขณะนั้นเอาม่ปลกใจทีุ่้ังมาบอกว่าขณะที่ประด็นมศาสนาประด็นทุกขภาพิสุ ในจังหวัดเพชรเจเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าในระหว่างเลื่องธบเนี่ยในข้าวข้าวในบาทเนี่ยนะเป็นโดยที่แต่อธิบดีกไม่เห็นคนใส่เลยเห็นเส้นไหนปิดเปิดบาทแน่แต่ข้าในบาทน่ยมาเองแล้วับและอย่างในว่าทำเงินเหรียญบาทนี่ยครับที่เป็นเหรียญเงินนะทําให้เป็นทองได้นะและในข้อที่สามคือว่าทํา ทำแป้งนะครับทำแป้งเนี่ยให้เป็นพุทธโลกเป็นเครื่องฉะนั้อยากจะขอคาอธิบายจอาจารย์ต้นเหตุผลมาการในกรณีแรกคือบอกว่ายื่นบาดตาแล้วกปรากฏมีเข้าทิศหอมกลุ้มในบาดนั่น่ะเข้าใจว่าเป็นสองสถานนะครับสถานที่หนึ่งเนี่ยมีผู้พุทธเทวดามาให้จริงสถานที่หนึ่งสถานที่สองเกิดจากข่านถึงอาหารในในอากาศเนี่ยลงมาคือในอากาศในวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่ามีที่จะมีเป็มหมดใอากาศเนี่ย อากาศาเรานีวิตามินเต็มหมดวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าถึงขัน้นใช้เครื่องดึไงไอวิมินในอากาศานะ่ะมาเป็นยอดอาหารไม่ี น, น้อยม น, าานุษย์เราเลียงธนาารถขัห้หมจะมปกินข้าวอาปาเอิ่ละเหมือนกับลือสีที่ืปกินวาตาเลยากระท้องก็อิ่มพะวิตาินมอากาศาเ็ไปหมดเลยเน แล้วก็ใช้กระสจิตวูดูพวกนี้อย่างรต้องใานจะเป็นะชานต่ไจะเป็นอย่างต่เข้าจะเป็นะชานแล้วก็อาจิตเนี่ยกระแสจิตตัวสู ง, งกระแสจิตมันนี่ยะสวิฟไฟไปดึ้พวกนี้มาเป็นห้องครัวใหญ่จะปรุงแต่งเป็นสาเร็จรูปอาหารโคกว่านเลยขอนายะลูกเทพวดามาใสบาจริงๆนายะ น, นายะหนึ่งใช้กระสจิตทิ้งทานไปรุงอาหารจากอวากาศจากบรรยากาศอบเราเรานี่นายมีอาหารวิตามินต่างๆไปในหมดขับประเภทต่างๆไม่หมดนะแตงกวาเอผักเอะไรต่างๆไม่หมดเลยที่เราต่างเอถึงัดครบ ลงอาหารพวกนี้ลงมาสำเร็จเป็นอาหารอยากเป็นการวิ่งกระลาอาหารเม็นข้าวเห็นหอมถุยหมดกินได้สองในยะเดียกันส่วนในเรื่องดึ ง, ด, ง, ด, งดึงเบี้ยอเงินเบี้ยเงินพจนเนี่ยเป็นของคําำก็ง่ายเองเพราะว่าผู้ที่ได้จะตุเตทานแล้วกระแสจิตมีพลังงานเอาพลังงานในกระแสจิตเนี่ยไปปรุงไอ้ผ้าท้องที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเอามาเอาเอ า, เอาทองมันมาแล้วก็มาทําการอ่า คือร่องถ้าทุกร่องนี่ไม่ต้องสุดร่องเลยเครื่องไม่จําเป็นสุกร่องเลยกระแสใจนี่แหละชา้ะเเชาสบาย energy ช้าสบายทาวิธีสุดร่องเสร็จําเ็จเป็นทองเปลี่ยนภาวะออกมาให้เราไม่แปลกเลยอันนี้อ่ะทางวิยาศาสตร์เขาจับแล้วไม่แปลกเป็นหนึ่งในที่ีสายของวิทยาศาสตร์ทําได้ แต่ว่าเราออเป็นมุกว่าได้ต้องตั้งโรงงานสูตทองตั้งโรงงานล้อมทองแล้วก็มาตีทองเป็นลูกคลมๆเป็นนิสประคำจริงใช้ได้ความจริงไม่จําเป็นเลยกระทช้จิะทำได้หมดทุกอย่างก็นักวิทยาศ า, าสตร์บอกว่าในตัวเราเนี่มีพลังงานที่รวมตัวเข้าแล้วผลพลามันได้ลูกหนึง วิทยาศาสตร์นะบอกว่าพลังงานในตัวเราเี่ยเมื่อลวงตัวเอามาแลบพผิกประมาณมนึ่งในลูกหนึ่งกับไอกระแสประมาณมนึงในตัวเราเนี่ยเอาไปใช่เลยครับเอามาดึงทองคำในธรรมชาติมาเอามาปรุงอาหารเป็นข้าวทิศสาบาทมากินกระเทียมเรื่องจะแปลกอะไรเพราะฉะนั้นจะมีสองทางว่ะทางหนึ่งพวกกายทิศก็เอามายืมให้ จ, ห จ, จริงจริงเอีกข้ามันเกิดจากอํานาจจิตในบรรจุอาหารพูกนี้จากธรรมชาติก็ใช้เป็นไปได้ครับตรนี้ถามหมอพระเทวทัตนางจินจามานาวิกานันธมาโนตสุประพุทธะ คนกันดิ้นถูกนั่นสงสัยว่าถูกของขันดิน ม, มีลักษณะอาการอย่างไรมีสองอย่างปัญหาที่ผมก็เคยตอบหลายครั้งแล้วที่นี่หือว่าคําว่าขันดิ้นถูกเนี่ยอย่างหนึ่งหมายความว่าถูกขันดินดูไปจริงๆขันดิ้นจิตเป็นเลน่ะขันดินเลนพิษต้มพิษตาม่าคุงสูงอย่างมีอยู่เป็นเลนพิษกะระซมพิษท่านข้างตัวโดดเพียงวินาทีเดียวจมไมิทั้งหัวเลยหาตัวไม่เจอสิ่ในอเมริกาก็มีในอฟริกาก็มีไอเดนแบบเนี้ย่ ใบโลเาโลโลสาโลกสกับโลกร้านปีโมใหญกระทัางช้ากันติดเขา้ายีิดเขา้าเจอเลนพิษเข้าดูดจมกันทั้งตัวแล้วก็แอเลนพิษหนักๆเขามันก็หายไปกลายเป็นเหวหือลึกพวกที่ขุดแรรีบุกโดยทำเหนือแร่โดยุดพบปากบน ข, ขา่าถึงรู้ว่าที่นี่เดิมเป็นเลนพิษตรงพิษเพราะนั้นคนค น, ดดนี้ก็ถูกขนลุกเนียมายความว่าไปย่ำถูกไอเลนพิษโดนจมพิษเขาเพาถูกดูดไปเพราะว่าครั้งอุตการ์ออกจากเมืองกับเป็นป่า ไม่มีความเจริญหรือมีถนนถึงทางลาดคอนกรีอย่างเดียวนี้นี่นะฮนะออกจากมันก็สูงมากเป็นป่าแล้วออกไปซะเป็นเขืเ่นที่สุดเขื่นก็เป็นป่าแล้วเพราะนั้นคนที่ไปชำนาญทุกประเทศเดินดีไปดีอาจจะจะพัดจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะผูหล่นไปในโคลทิศก็ได้หนึ่แล้วพันลินสุกนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ว่าพันลินสุกนี่ยเป็นอีเดียมคือเป็นสมนว น, นกล่าวถึงคนที่ถูกประชาชนก็าลงโทษไม่คบค้าสมาคมสังคมก็าลงโทษคบเข้าหน้าใครไม่ได้เรียกว่าพันลินสุกนี่มีความหมายสองอย่าง เราแล้วแต่เราจะตีความเอาว่ารื่อไม้ควรจะเหมาะกาผพนลินสุพินซึ่งเรื่องไม้ควรจะเหมกกากหะม ก, กาับตรงคำนวนว่าถูกประชาทันนี่แล้วแต่เราจะว่าแต่กรณีเนี่ยพระเทวทัตน่าร้อยเซ็นแน่ถูกพนลินสุพินร้เ็พระเทวทั ต, เ พ, เ, ททตเพราะพันลินสุกแค่หลุกคางแกก็ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาสำนึกผิดว่าข้าพเจ้าถวายกระดูกคางเนี่ยคือยังลยท่พุทาเนี่ยเป็นพุทธบูชาโดยอานลิสงผิกับใจมุดความผิดของตัวและเป็นกุศลกิจตอนตายดีแหละ ได้ทำให้พระเทวทัพเนี่ยตกอวัวะี่นึ่กลับแล้วพ้นขึ้นมาเป็นปเจกุธพระแลนี่ยเป็นเป็นปันเจกุธพะส่วนไม่ไรแล้วก็สันนิชานเอาตาม ท, าที่ควราหากมีสาสน า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาบางคนถามว่าก่อนหน้าพุทธศาสนามีกําเนินดโดยโอปตากิกะคือเกิดผุดขึ้นพระเจ้าเขาถามว่าเกิดขึ้นโดยกําเนิด น, นีน้เราจะแก้เขาว่าอย่างไรเอ๊เขาบอกเกิดผุดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ไม่มีตัไม่คยนะเกิดขึ้นโดยตามนี่ ทำทำกรรมอ่ะทำอกุศลกรรมก็เกิดผลขึ้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุจิตายพระจําของใจเระเปโทษประเภทไหนล่ะทํากุศลกรรมก็เป็นเทวดาเป็นพรหมอบอุปราธิกะนุ่มโลภนี่คือกรรมน่ะล่ะกุศลกรรมกุศลกรรมเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดผลขึ้นอ่าไอคขาว่าเกิดผลขึ้นหมายความว่าไม่เนี้ยไม่อาศัยพ่อแม่เกิดเัราะอะไรอะแต่ต้องอาศัยกรรมเกิดเพราะนั้น่ะพระเจ้าของเขาเนี่ยไม่จะเกิดผลขึ้นแล้วก็เลยว่าเราไม่มีพ่อแม่เราเอานปเสียละแต่ว่าเกิดจากกรรมอะไรล่ะพระเจ้าทำกรรมอะไรมาถึงจะเป็นพระเจ้าถามเขาเดินพีว่า พระเจ้ามาเป็นผลจะมาจากกรรเป็นเหตุมาก่อนสิถ้าพระเจ้าทำมาคุศลกรรมถามว่าพระเจ้าก็คืออาศน์สิเป็นยักษ์ก็สิถ้าพระเจ้าทาคุศลกรรมก็ต้องเป็นกุศลสายกามาลาจหรือบาหจรอาลูบาจาอยากจะทราบาว่าทำมาคุศมาเสไหนถามก็ดูมาเว่าเกิดในตันี้้มีเหตุไม่มีพ่อแม่คณะลาธรรนั้นหรอกพราะ่าราะว่ามันไม่ใช่เป็นชลาพชาไม่โอปปาปิกะไม่กเนิดตีอืมตอนคันดินราเป็นไทยช่นั้นแล้วเมื่อมาตั้งุงเทพ ทำไมจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งประเทศสยามเล่าแล้วบัดนี้กับเรียกว่าไทยอีกเพราะเหตุไรคําว่าสยามมันจะคนไทยเจ้าของไทยเรียกไม่ใช่เป็นคําที่ชาวอินเดียเรียกพวกเราเรอ่ะเรียกมาก่อนที่คนไทยจะมาอยู่ถูกไหมซ้คำคาว่าสยามนะเข้าใจมาจากคําว่าเอ่อที่สุยามะหรือคําที่แปลว่าสามารถที่แปลว่าทองนั่นเองทณินทองพูดง่ายๆเป็นมงคลนามที่ชาวอินเดียเขาเรียกคำนี้เขาจะเข้าใจมาจากคําว่าสามาแล้วมาเป็นกลายเป็นสยามไปภายหลังนะฮะอีกท่านหนึ่งถามบอกว่า อขอรบกวนได้กรุณาเขียนคถาพระเร่งของที่เบสใส่บนกระดาษดำให้ด้วยจนจบและขอให้ให้ใหอ่านให้ฟังสักหนึ่งครั้งเพื่อรักษาไว้เกรงว่าต่อไปจะสูญหายเพราคถาประจำพระเ ก, ก่งนะครับคําว่าประเทสยามประกาศใช้เรียกเมื่อปีพศเท่าไหร่สยามนะผมไม่ได้กล่าวมาแล้วว่าชาวอินเดียเรียกมาตั้งแต่ง้มนานแล้วเป็นพันๆปีแล้วแต่ใช้เรียกในทางราชก า, ารเข้าใจว่าจะเรียกมาตั้งแต่เป็นทาการ ที่ทับรับราฐบาลไทยใช่นะเข้าใจาว่าในแผ่นดินพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเพราะเรามีสัญญาติดต่อ ก, กับทางต่างประเทศมากในแผ่นดินนั้นเพราะสาเหตุอันใดจึงได้ประกาศเรียกชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าสาเหตุต้องติดต่อ ก, กับต่างประเทศมากพรังก็ต้องรู้จักเป็นเมืองไทยก็จะเรียกคนไทยแต่โบราณก็เหมือคนชาติอื่นในเอเชียนี่แหละเรียกชื่อของประเทศตั ว, ตวเอาชื่อเมืองหลวงมาเรียกเรียกว่ากรุงชนะกรุงศรีอังกฤษยานแลลว่าเมืองไทยทั้งประเทศตัวอังว่าหมายว่าพม่าทั้งประเทศกรุงคงศัดี์หมายว่ามุนโรทั้งประเทศ กรุงเวียดนามมาถึงว่าโยนทั้งประเทศอ่าเรียกกอย่างนี้เอาชื่อกรุงมาเรียกเป็นชื่อประเทศมาถึงสมัยพระจอมเกล้าต้องติดต่อกับฝรั่งมั่งข้ามากจะเอากรุงมาเรียกไม่ได้แล้วท่านก็อนุโลมตามแบบเอาชื่อสยามมาใช้เป็นทางราชการแต่ว่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าในสมัยพระนารายณ์น่าอาจจะใช้คำว่าสยามมาแล้วก็ะดับยังสงสายอยู่เหมือนกันอยากทราบว่าคัมพีร์มิรินสปัญหากับคมพีวิสุทธิมารณ์นี่ได้อันไหนเกิดก่อน พระวิศวิมารเกิดก่อนแล้วทําไมในคำพีวิศวิมารเล่ม4ยังอ้างคำพี์มิริมทปัญหาอ๋อแน่นอนครับมีรินทำปัญหาเกิดก่อนเกิดก่อนพราะหน้าเกษตรมีอายุก่อนพนกกระพุทโครสายจานท์หลายร้อยปีนี่ครับพราะหน้าเกษตรมีอายุพศอสอ400ี่กก ร, อสอร้เศษพระพะโครสายจานทร์พศหนึ่งพัน